วิหารตินาจักินจิตโลเกอุปาดิยาเตมเทวมิีโคปิเกเวเพโคธรรมสุธรรมานุปัสสิวิหารเตมจาตุสุอริยสัจเจสุมสัจพบังสุขสัตไปดูไปดูข้อปลีกย่อย ไปดูเข้าใจคืออะไรบ้างสวดไปแล้วก็ผ่านไป ไปยะโสเลยเป็นไหนฮะฮะฮะเสร็จแล้วร้อนวันนี้ร้อนร้อนจนแพ้จนไข้ร้อนจนแพร้อนช่วงเนี้ย ช่วง บ, บินต้องปัดตาเนี่ยร้อนมันร้อนผิดปกติอ น, อนร้อนไม่มีแรงแปลร้อนไม่มีแรงมันเป็นที่เราฉันไอ้น้ามาขัมป้อมป้อ ม, อมฉันเยอะฉันน้ามาขัมป้อม ดูเหมือนจะมีไทยด้วยน้ำาขังป้อมแช่แช่ตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างสว่างมาแล้วก็เอาน้ำร้อนเติมเข้าไปชั้นหมดเติมอีกชั้นอีกเติมอีกชั้นอีกเติมอีกเกือบเต็มทิ้งเอาไวา้ปิดฝาดีเมื่อชั้นเสร็จกลับไปชั้นอีกรอชั้นชั้นน้ำ ขัผมเยอะเกินไประหว่านะเอาไปแช่เหมือนชาเนี่ยมันออกดีมากเลยออกดีมากรสชาติดีมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมรอกมีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างด้วยเหตุที่มันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเดี๋ยวสุกเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เดีวก็ทุกข์เปลี่ยนไปเป็นสุขแล้วก็สุขเปลี่ยนไปเป็นทุกข์ ก็ทุกเปลี่ยนไปเป็นสุขพูดถึงใจก็ดีใจเสียใจเสียใจดีใ จ, ใ จ, ใจชาวสายบายข่ำดูสิใจมันมีแต่ดีตลอดหรือเปล่าความไม่คงที่ความเปลี่ยนไปนี่คือหลักธรรมชาติไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย อะโอยังเป็นหนมยังเป็นนั่นอายุยังห้าสิบห้าสิบกว่ากว่ายังไม่ไดยยังไม่ต้องกระตือเรือร่องนรรมากินซะก่อนก็ลอาปฏิบัติค่อยวิ่งตามค่อยมาวิ่งตามโอ้สัหนึ่งมันถึงมาแล้วด้วยที่มันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่องก็ง เ, งเป็นแล้วร่างกาย โยโยโยโยเอามะเร็งเกาะแล้วโยโยโยโยโอ๊ยเบาหวานเกาะแล้วตับปอดเกาะแล้ววิคนวิการสารพัดแล้วทำไจะเป็นเราดูอันนี้เป็นหลักอันนี้แหละเป็นหลักของอนารจังตุขของนักตาถ้าเราไม่เคยย้อนมาตรงนี้ไม่เคยน้อมมาตรงนี้เราจะเอาอะไรมาเห็นมัน้ไม่เห็นตอกไม่เห็นดูจนชิน ใ น, ในหลักนี่ในหลักมสติปัฏฐา น, นมีแต่บทฝึกสอนทั้งนั้นเลยนะทั้งประเภทกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งประเภทเวสนานเวสนานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งประเภทจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งประเภทธรรมธรรมก็คือสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ต้อเป็นสัญญาลมคุ้นคิดนึกอยน่ในจิตนะท่าเรียกธรรมารมณ์ท่าเรียกธรรมารมณ์ที่มันร่วมไปแล้วมนันมาคิดมาคิดมาปรุง ม, มานั้นมานี่จากของมาดีกลายเป็นของดีจากของดีๆีกลายเป็นของไม่ ด, ด, ด, มดีมีอะไรอยู่เท่าเดิมมันเป็นสัญญานั่นแหละที่เรามาใช้พิจารณาแต่มีบทบาทไหมสัญญาตัวนี้มีบทบาทไหม ที่เราทุบๆอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะบทบาทหรือสัญญานะมันยึดยึดกายยึดเวทนายึดจิตยึดธรรมสัญญาแล้มันยึดสัญญาเกิดจากจิตก็จิตนั่นแหละมันยึดมันรวมตัวสัญญาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสัญญามก็ผายยึดยึดไปหมดยึดยึดกาย ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณยึดไปหมดที่แสดงว่ายึดขันธ์ทังห้ามีอะไรอยู่เท่าเดิมเราพยายามดูดูมาตรงนี้เราทดงานดูมาตรงนี้เราจะไม่มือเปล่าเราจะมีงานทำขนมจดบจอบขบเชี่ยวจอดูตรงนี้เลยเป็นบททดสอบเป็นบทฝึกซ้อมวางคราวเราก็เจริญให้สงบ เป็นสมถะบางคราวเขาสงบเขาแนบแน่นเ้ามั่นคงแล้วแล้วก็ก็มาพิจารณาตามหลักมาสรสติพปทานนี่แหละวิธีอื่นไม่มีวิธีอื่นไม่มีออ น, มมนอกจากว่าสมถะที่มีความสงบอย่างแนบแน่นมั่นคงจนจิตดวงนั้นมีอภินยามีสมาบาัตมีมโนมยิฐที่นำก็เป็นอีกเครื่อง การทำงานขงเขาเขารู้เคล็ดรู้บายรู้วิธีที่จะใช้ที่จะทำเขาก็อาจจะไปได้ง่ายแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็เหมือนเหมือนกับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรามาจับมาถูมาไถให้จิตของเรารับรู้รั บ, ร บ, รบทราบทำความเข้าใจให้มันคุ้นเคยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือกองทุกกองทุกเหมันหมืนักขณเมื่อกี้นี่ทุกทุกขรัร้งระยะสััง ที่เราสอนเมื่ี้ทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทัยอริยสัจจังลุกคนิโรโธอริยสัจจังลุกคนิโรทากาไม่มีปฏิปดาอริยสัจจังข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ลุคนิโรทากาไม่มีปฏิปดาอริยสัจจังอันนี้เป็นมรรคเป็นทางปฏิบัติ เพื่อเพื่อไปชะลอสมุทัยเพื่อไปละสมุทัยเพื่อไปตัดสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุแต่กองทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารปีญญาเยืะเดียๆกองทุกข์กองทุกข์ทุกละเอียดก็คือทุกในนิโรธการไม่มีปฏิปดาระยะสัจจังมีข้อปฏิบัติกำกับดูแลอยู่ในนั้นอย่างโดยข้างใจธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ มีให้เราดูต้องการให้มันสงบแล้วก็กำหนดให้มันสงบทํามากทําน้อยทําจนได้รับความสงบกำหนดจดจ่อใช้สติกำหนดจดจ่อพิจารณาตันหาราคามันโกลกขึ้นมาที่จิตกำหนดจดจ่อดูมันก็ดับกำหนดจดจ่อจ้าดูมันก็ดับกำหนดจดจ่อจ้าดูมันก็ดับ จะต้องมีพลังต้องมีกําลังถ้าจิตไม่มีพลังไม่มีกําลังมันไม่ดําดอกจ่อไปมันก็มาสวมรอยเอาไปใช้จ่อยจ่อไปก็มาดึงสวมรอยเอาไปใช้เฉยเพราะความแนบแนมของจิตเราไม่มีเราปฏิเสธความสงบไม่ได้ความสงบเราต้องสงบใชความสงบเสียเวลาเสียเวลาความสงบปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้แต่ความสงบนั้นน่ะ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาความสงบของใจนั้นน่ะทําให้ใจมีพื้นมีบามีฐานทําให้ใจมีที่ดูดดื่มมีความสุขอย่างน้อยตั้หาขั้นหนึ่งระดับหนึ่งมันอยู่หมัดอยู่หมัดจากอารมณ์ที่เราเพ่งให้จิตได้รับความสงบถ้าตรงกันข้ามแล้วไม่มีแม้แต่ความสงบมิดแม้น้อยนิดเดียวเราก็ไม่ปรากฏทำเกิดขึ้นไม่ได้ เอามาพิจารณาพิจารณาด้นปัญญา academic, พิจารณาด้ปัญญา Buddha. พิจารณ า, า, าเลยพิจารณาเลยพิจารณาทางด้านปัญญาเลยอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาเราลองเสียวเวลาแล้วมันจะเป็นพลังเป็นพลังที่สะสมสะสมอยู่ในตัวเรานี่ยมันอิม่มมันเออมันอิม่มมันเออมันสุกมันพีติมันยินดีมันอะไรต่อะไรในขณะนั้นตันหาเกิดไม่ได้ ดึงจิตเราไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตของเรามันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เราเพ่งให้เขาสงบปัญหาทางานไม่ได้เราต้องการมาพิจารณาให้เกิดปัญญาจอมาที่เวทนาเนี่ยดูสิจิตกับเวทนาเป็นไงมันทางานสม บ, บัติสมบัติกันยังไงเวทนามาล่อให้จิตยืดหรือจิตไปดึงเวทนามายืด ว่าหมายมนโนภาพอย่างนั้นอย่างนี้ยืะเยอะเยโอ้ดีเหลือเกินงามเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินเยอะมีสมาธิมีปรรัญญามีความสงบมันทํางานมันสักเทวดาทำงานมันไม่ได้ยึดผู้รู้อยู่ที่นี่เวลามันสัมผัสสัมพันธ์กันมันไม่ได้ไปอยู่ที่รูปมันไม่ได้ไปอยู่ที่เวทนา มันมันอยู่ที่ฐานของมนันฐานคือความสงบจึงมีคุณสมบัติความสงบจึงมีคุณสมบัติพยายามจิตดวงนั้นนอกจากมีพื้นผื้อจนเป็นจิตมีอภิน ญ, ญามีสมาบัติดอมดินบินบนอะไรจ ะ, ะไรได้หมดดูเราพูดเมื่อกี้แลนะ้วเนี่ย้านที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้รับปีติได้รับความเออบิม ืละวิตกได้ละวิจารณได้อยู่กับปีติอยู่กับความสุขอยู่เอกกับเอกกัตตาแน่ขยับขึ้นไปความสงบไม่ต้องบริกรรมพุทงไม่อยู่แล้วมันขยับเข้าไปอีกมันทิ้งปีติมันอยู่กับความสุขอยู่กับกับความสุขในขนาดเดียวกันก็อารมณ์เอกกัตตามันเยื้ยันพื้นอยู่แล้วละเอียดเข้าไปจิตมีความสุข และเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ความสุขเหมือนอย่างเราหิวเต็มอิ่มขึ้นมาหิวแค่สุขกเวทนธนาทั้นั้นเองแต่ความสุขอันนี้เนี่ยไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าตันปฏิเสธเลยนะนัตถิสันติปรางสุขันสุขขันสุขอื่นจากความสงบสุขอื่นมากกว่าความสงบไม่มีความสงบของจิตคือความสงบที่จิตไม่เอาตัณหามาแทรกในหัวใจของเรา จิตไม่ได้ดึงตัณหามาใช้จิตก็สงบสงบขั้นสมถะตัณหาไม่เกิดมีความสุขเอาจิตขั้นนี้ระดับนี้มาพิจารณาให้เกิดปัญญามันไปนเลยเป็นกำลังศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาได้รับความสงบบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าเลื้อเลื้อปีติ เหลือความสุขเอกะกะตาเหลืออบิขาเอกะกะตาเนาี่ยถึงขั้นละเอียดของมันรูปฌานอรมูปฌานสมัยโบราณอาจารย์เขาเล่นไปถึงโน้นอรมุปปสมบัติอรุปปรูปฌานเล่นไปพิจารณาพิจารวิญญาณวิญญาณนจจายตนะ กินจันญายตนะมีก็มียันมีอยางมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่กินจันญายตนะเนว่สัญญาสัญญาญตนะสัญญานิดหนึ่งก็ไม่มีนิดหนึ่งก็ไม่มีนิดหนึ่งจนจิตเข้าถึกความละเอียดละเอียดมากพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่ของเป็นอารมณ์สิ่งเหล่านี้มีมีก่อนพุทธการ แต่ท่านมีแล้วท่านไม่รู้จักช่องออกไม่เหมือนพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีบุญบา ร, รมีท่านรู้จักช่องออกเหมือนอุทกนาบทาลาระดาบที่เป็นอาจารย์ของท่านได้มาทั้งนานแล้วองหนึ่งก็ได้สมมาบัตเจ็ดอาลาระดบทองหนึ่งอุทกปนาบทก็ได้สมาบัตแปดละเอียดได้มาทั้งนานอยู่นั่นหาช่องออกไม่ได้ไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาแต่พระพุทธเจา้าเออยังไม่ใช่ย้อนไปดูใจกองทุกเต็มแปร่ยังไม่ใช่ออกไปแสวงหาอีก อาจารย์เนีหมดความรู้แล้วอาจารย์ก็ได้ได้อวยพอเหี่ยทุ่านในที่สุดพระองค์ด้วยบุญญากรมีที่พระองค์สร้างเอาไว้พระก็ได้ประสบได้ประสบความสําเร็จในคืนวันเพ็ญเดือนหกเห็นไห ม, มอย่างไรบ้างตั้งแต่หัวค่ำโวยสลัดเลือดสลัดเนื้อในกายทั้งหมดอมเ น, อนื้อเท็ดหนังเอ็นห้มก็ดู ก็ตามทียังไม่บรรลุธรรมด้วยเรียวแรงของมหาบุรุษด้วยเรียวแรงของความเพียรจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดเนี่ตั้งตั้งอบรมกติเอาไว้ตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งสัจจอาทิฐานเอาไว้พวกเราไม่กล้าตั้งกันหรอกกลัวขาจะหักกลัวเอวจะหักกลัวใจจะขาดพวกเราไม่กล้าตั้ง ด้วเจ้าทุกอย่างทัานตั้งสัญจาติฐานเหมือนกับท่านเบอร์เบิก์เอาบุญเก่ามาใช้ก่อนนะถ้าเราจะได้บรรลุธรรมขอให้บุญช่วยพระให้ทาทองคํานี่ลอยทวนกระแสน้ำเอ๊ะถามเราลอยตทททททวนกระแสน้ำเบิกบุญเก่ามาใช้ก่อนถ้าเรามีบุญบารมีจะได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธะขอให้อัลวัชนะบรรลังจงบังเกิดขึ้นวัชนะบัรลังก็โผล่ขึ้นมาทันที ทิฐานสัจญาทิฐานสัจญาธิฐานาจาตุรงคมหาประธานนีจาตุรงคมหาประธานจาตุรงคมหาประธานคือการตั้งการตั้งเอาสัจจะทั้งสี่อย่างเนื้อเลือดเงินแห่งไปเหลือแต่นังหุ่งกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดเนี่ย จาตุรงค์มหาประธานกามตาโจนาหารุจัอัตติจัตอวสิษติอวสัตสตุมเมสรีเรสัก บ, บันตังมังสะโลหิตันติ ยันตังมหาพุริซาเมมหพุริซาวิริเจนะอืมปัตต บ, บังนาตังอปตตวาวิรยิยสัตสันทานังภวิชันติไม่หลอดไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดมันเป็นพระบาลีที่ดัพบพุทธไว เราก็เเห็นกระบาลีนเนี่ยเราเลยดูดูแล้วก็จำกระบาลีนเนี่ยมีอยู่ในพุทธอุทานเข้าไปรวมไว้ในพุทธอุทานเราก็ปรับมาใช้ทำอะไรก็ตามเราก็ปรับมาใช้ด้วยเรี่ยวแรงที่เราตั้งหัตั้งใจทำเพิ่มพูนกำลังศรัทธา เพิ่มเพิ่มพูนพระเพิ่มพูนกำลังศรัทธาแ น, แน่นแน่นมั่นคงไม่อ่อนไม่ไม่ อ, อ่ อ, อนข้ อ, อไม่เปลี่ยนอุดมคติเอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งใจทำตั้งแต่นี้ไปจนตายตั้งแต่นี้ไปจนตายตั้งได้ไหมเราตั้งเพื่อความดีงามก็สูมุดใจ ตั้งความดีงามก็สุขใจตั้งตั้งแต่เดี๋ยวนี้อายุทลายสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีไปจนตายเนี่ยไม่ยอมปล่อยขยับอยู่นั้นขยับอยู่นั้นขยับอยู่นั้นนมันจะเริ่มรู้เริ่มเห็นเรมได้เริ่มได้คกำลังใจเริ่มได้ความสงกเริ่มได้ปัญญา<ม>อย่าทิ้งเนี่ยหลักพรติปณีฐานนี่เป็นเป็นแนวเป็นแนวเป็นทฤษฎีะ ตรงีเป็นทฤษีเราเจริญกายเจริญเวทนาเจริญจิตเจริญธรรมเจริญบทใดบทหนึ่งทะลุถึงกันหมดเจริญเวทนาก็เวทนาก็เกิดที่กายก็เอาจิตไปเจริญนะบนนั้นก็เป็นบทธรรมมาทะลุถึงกันหมดเจริญจิตก็เอาจิตพิจารณาในจิตนั่นแหะพิจารณาจจิตจิตพิจารณาจิต พิจารณาจิตนี่เราพิจารณาอารมณ์ที่มันเกิดบจิตบางทีเราจับไม่ได้ทันทีเนาะจิตของเรามันละเอียดจับอารมณ์ที่จิตมันไปเกี่ยวเข้าจิตราคะตัณหาจิตรักจิตชังดูซิเวลามันเวลามันเกลียดเวลามันขีด้ดินดดดดดด่นเดเดา้ดาเดาเดาเดาดิ่นหรือไม่ดิ่นดูลองดูมันดิจับอาการ น, นั้นนั้นมันก็หยุดละจับมันก็อยู่ละ ยับมันก็อยู่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยย้อนมาเราก็เห็นว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจนเป็นอาจินตกรรมเราก็มีแต่สะสมสะสมสะสมสะสมสมุทัยสะสมสมุทัยไม่ใช่สะสมมักสะสมกต่สมุทัยสมุทัยก็คือทุกข์สมุทัยก็คือทุกข์ไม่ได้สะสมมักที่เราสวนตี่มัก นิยมักในองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปุลสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิญญะตลอมาเป็นงเดียวกันเป็นมักทัศมางคีมันตลอดมาที่ไหนมันก็ตลอดมาที่ใจเอาใจดวงเดียวไปทํามันก็ถึงกันหมดเอาใจดวงเดียวทํามันถึงกันหมดถ้าหากเราไปหลงเรียกชื่อเรียกสมมุติเรียกอะไรอะไรเหมือนหลักปริยัติเขาเรียก แล้วก็หลงหลงสมมุติลงไปลงมาเอ๊ะอันนี้ทําไมมันขัดกันนี้อันนี้ทําไมมันขัดกันนี้อันนี้คืออะไรเนอะอันนี้เรามาได้ยังไงจับผู้รู้คืออะไรเป็นอะไรจักหมวกบานมันเลยผู้รู้ของเราจับตรงนั้นเลยเลยนยมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรมันจับเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรมัจับขยับปับ๊บจับขยับปับ๊บจับขยับปับ๊บจับ มันไม่กล้าขยับมันอยู่คิงไม่ลองขยับดูลองจับดูมันละเอียดสัญญารงที่มันกระดุกกระดิกในจิตของเรามันละเอียดแต่ดยเหตุที่เราใช้สติปัญญาละเอียดขยับปั๊บจับจ่อมันจ่ออยู่แล้วขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับกิริยาที่มันขยับนั้นแหละนั่นแหละคือทุกขังของมันอ่ะมันไม่เคยอยู่ท้องที่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอันนี้จัง ถึงว่าภาวะทุกอย่างไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมดูแต่เราเนี่ยอายุขนาดนี้อายุปูนี้เจ็บสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเจ็บป่วยออดออแอ ด, อ ด, อ ด, อดเจ็บนู้นเจ็บนีเ้น เ, จนเจ็บอะไรอะไรมันไม่อยู่เท่าเดิมดอกมันเป็นช่างอะไหนึ่งก็แต่มันก็ทาลายไปดูให้เห็นตั้งแต่ตอนนี้เราจะได้ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจอ่าพอสักคนแค่นี้ มาใครฮะมาใครอ่อทคที่ทไที่รับปะนอเยนาคนที่ทอะไรอะนะฮะมครับโยมมากคนเดียวเหรองคนฮะ แล้วพี่สาวก็มาตอนนเคยเห็นน้ำต่าไหมพี่สาวไม่พักพี่าวไพี่สาวยังจำน้เต่ามันไม่ต้องไปเห็นมันหรอกน้ำเต่าอยู่ในรูห้วยไม่ต้องไปดูมันหรอกแต่ผ้าสวดย่างนี้แหละอีเกียก็ต้องได้สวดขยันก็ต้องได้สวดโง่ก็ต้องได้สวด เป็นผลพลอยได้ไม่อไม่เขยนไม่ขยันที่เกียดที่เกียดไปก็ไม่ได้มันเป็นภาคบังคับไปก็ไม่ได้เย่อมเงินแต่เราไม่อยู่เราไม่อยู่ก็สวดไปเราไม่อยู่สวดเยอะสัหน่อยก็ได้แล้วใต้เวลาก็พากันนั่งภาวนาจะเป็นไรต้องเราอยู่เราไม่อยู่ ได้มาทุกคนทุอย่างนี้แหละได้ได้ผลอย่างนี้แหละได้ดูได้ดื่มได้กินก็เอาสิคอยตอนไหนจะให้มันดูดื่มได้ได้ดูได้ดื่มได้กินเอาโกโก้เปิดเลยน้ำมังคุดร้อนเพิ่งเริ่มร้อนสามสี่วันเริ่มร้อน กว่าเอ้อใบไม้เกละกลังดูไว้ทั่วๆแล้เลิกที่หลังหมูทุกท้วเราตรงนั้นเกิดยังตรงนี้เกิดยัง <c oughs> ใครอยู่ก็ตินหนก็ดูแลมันสะอาดใบไม้เดี๋ยวงอมืองอตินะ ดูแลดแลต้องทําความสะอาดทำความเพียรความเพียรหนุนมาที่งานที่เราจะทําทําห้เราได้งานพื้นๆแล้วก็เพียรจะทอนมาที่งานหลักที่เราพูดถึงเนี่ยเกียร์เราเมืม่อวานตีนไม่ได้ไม่ถือไม่เห็นไม่รู้เนะรื่องไมรู้ไรู้ ไม่รูรรไไไ้ไม่รู้รสชาติเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่รู้ความสว่าไม่จิตไม่มีมืดตึ๊บสมเข้าไว้อดรมเข้าไว้อย่าเห็นแต่ตัวช่วยกว่ากันสติไหนสติไหนสติไหนใครมีแต่ไปไปไปไปไม่อยู่ให้จมูกปัดให้ออ <laughs> ต้องช่วยกันเข้รารภาระกันคนนั้นได้ตรงนั้นคน น, นี้ได้ตรงนีอ้อย่าคิดเอาเปรียบ ก, กันเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนไปที่จริตนิสัยมันดีไม่ได้กับคนมายาดีไม่ได้พอจะได้ก็ไม่ได้พอจะถึงก็ไม่ถึงราฉลาราชลาดาชลาไรเสียเปรียบเขาตลอดราะลาไรเสียเปรียบเขาตลอด เราทำนะเราถึงจะได้เปรียบนะเราไม่ทำอย่างที่ว่าสเสียเปรียบเรื่องของทำเนี่ยมันไม่เหมือนกิเลสเออคนนี้จงทำเราสบายเฉยเออจะของไม่มีอะไรผลงานไม่มีเ่ยใครทำใครได้คนนั้นก็ได้ น, นนี้ก็ได้นี่ได้วัฒนธรรมได้ความละเอียดได้ข้อวัด ในความขยันปาดใจเย็นบายปดอยู่นั่นแหละอย่าไปชุบชุบชุกชุกชขยุชุบๆโอ้ยมใช่วยอะไรมีใครช่วยอะไรเปิดนิ้หายไปซะแล้วเดินออกคนสุดท้ายเอาปันนั่นนะเดินออกคนสุดท้ายเลนะเราเนเดินออกคนสุดท้ายเกือบทุกวัน ล่อไปก้อมไปออกไปมานุ่งตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรนั้นไอพวกต่ควกนี้เขาเร็วเขาปัดเร็วเขาจะอะไรที่ไปถู ส, สาระโซลาอะไรจะอะไรดูช่วยดูช่วยช่วยทำไปทา่านพิมว่าข้อวัดข้อวัดเราอยู่กับข้อวัดมันได้ประโยชน์เมื่อเราเรามีงานทําตลอดที่กีกกยรติก็ต้องไหนทาําขยันก็ต้องไหนทํามากก็ต้องไหนทําน้อยก็ต้องไหนทําแนะนี่คือผลปลอยได้ มีเกียรตนก็ดูจะร่วงก็ต้องได้ทําไม่ทําคือไม่ได้ <c oughs> ไม่ทําคือไม่ได้กรรมเราดูออกไหมกรรมเนี่ยเราทําเราไม่ทำํำเราทําเราไม่ทําเรารู้ดูดูเห็นความบริสุทธิ์ของเจตนาของเราสิดูเจตนา <c oughs> ไมมีเจตนาเยอะไม่ทำพลอยผสมโร ง, งไปกับเขาได้ <laughs> นิดหน่อยน่อ <laughs> ยได้เหมือนกันได้นิดนิดหน่อยน่อยะตั้งตั้งเจตนาเป็นของตัวเองเลยเป็นมหากุศลเคยบอกแล้วว่าการทำความดีไม่ใช่ทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองไม่ใช่ทำความดีปั๊บโอ้ยผลรอยเท่าพันทวี มันเมือนเราไปทําน่นทำนี่ทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองแบกไม้เนี่ยแบกหนึ่งก็ได้หนึ่งแบกสองก็ได้สองไม่ใช่ความดีอยู่ในใจเนี่ยมันร้อยเท่าพันทวียิ่งเรามิจฉาทิฏฐิเต็มดวงเนี่ยพอเราศึกษาปัจจิตเรากลายเป็นมิตรกลายเป็นสัมมาทิฏฐิโอ้ทนที่เราจะตกต่ำเรับจะตกกระป๋องมันไม่ตกแล้วจิตเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นชอบแล้ว เราลองแล้วไม่พิจารณาให้เห็นเป็นสมาธิมันก็เป็นมิจฉาทิฐิตกแล้วตกไปอยู่ขุมไหนก็นไม่รู้แหละไปปารโลกกับมืดตึ๊บไปเลยแหละไม่รู้จะไปตรงไหนไปฟโฟลตรงไห น, ไไหนก็นไม่รู้เราลองไปวาดวาดมนโนภาพดูปารโลกที่เราจะไปนี่ตึ๊บโอ้ไปไหนน้องะดูให้เห็นดูให้เห็นเจตนากรรมในใจของเราเราถึงจะเอากรําของเราให้บริสุทธิ์ได้ ลองทําให้รับกรรมภายในอย่ามีแง่งอนอย่ามีคนอุบายอย่ามีมายาสาไถอย่ามีนูดอย่ามีนี่เอาให้ตรงไปตรงมาโธสัมมาทิฐิพอสัมมาทิฐิพลอขึ้นมาแหละอืมเอายกตัวอย่างเช่นอย่างพระมหาคัลลา น, นะเนี่ยถ้าท่านมีสัมมาทิฐิปับ๊บท่านจะฆ่าแม่ท่านหยุดท่านไม่ฆ่าเน่เทนที่เท็จที่สั้นจะได้รับกรรมห้าร้อยชาติท่านก็ไม่ต้องรับใช่ไหมแต่ว่าสัมมาทิฏฐิท่าน ไม่ทันเน่เอาแม่ไปไ ป, ไปฟ้านแม่จนตายอา่แม่แม่บ้านโน้น่ะเขารู้จักแม่เขา อ, อยากพบแม่ให้ผมพาไปให้ลูกพาไปไปวันไหนลูกไปวันนู้นไปวันนี้โอ้แม่ดีใจดีมีจิจเพราะมีาศสยปัญหาให้ถ้าเธออยู่กับแม่ฉันจะไปถ้าเธอ ถ้าเธอจะอยู่กับฉันให้เธอจัดการแม่โถ <c oughs> จัดการแม่พระโมคคัลลานะอยากอยู่กับเมียไม่ได้อยากจะไปตกนรกห้าร้อยชาติอะไรไม่อยากได้ไม่ไม่ไม่ไม่อยากได้จะ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไปเกิดมาแล้วเขาฆ่าห้าร้อยชาติที่ไหนมันอยากที่ไหนมันไม่อยากก็อยากฆ่าแม่อยู่กับเมีสยสบาย <c oughs> นั่นเห็นไหมน่ะพอดีมิจฉาทิถิมันครอเมื่อตึ๊บไปหมด กะเกินอะไรไม่ทันเน่เอาแม่ยังตายสองสามนาทีแม่ก็ตายพอไปถึงทางเปรี่ยวๆแม่แม่จับเชือกเอาไว้เดี๋ยวววมันจะไปตามร่องเองเกวียนทางเกวียนเด้ข้างๆมันก็ไม่กระโดดไปละมันมีป่าเด้เป็นร่องแม่แม่ก็เลยจับพระมาโมคละลานะในชาตินั้นนะเพราะก็เพราะก็ลงมาวางแผลละเด้วาง ม, มาแล้วเปลี่ยนเสียงโอปะโ อ, อ, อ, อเอโออ่ะ แม่ก็คิดว่าชนพลนโจนพลนตึ๊บแล้วตึ๊บอีกลูกเออหนีลกูกฟันแม่จนตายโอ้เราดูเถอะนี่คือมิจฉาทิฏฐิอย่างไหมใช่เพราะท่านสัมมาทิฏฐิปับ๊บท่านหยุดปับ๊บอ้าวท่นที่ท่านจะมาตกร้องห้าร้อยชาติฆ่าตายถูกค่าตายห้าร้อชาติไม่ต้องมาเลยนี่นี่คืออา น, นิสงส์ของมันแค่หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งสองได้สองที่ไหน มันอันที่นิสงร้อยเท่าพันทวีเห็นไหมเพราะท่านมาท่านรัลึกได้โอ้เราอย่าทำผิดแล้วกลับัวใหม่ตั้งตนเป็นอัคคะสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเป็นอัคคะสาวกเบื้องขวากับพระพุทธเจ้าสร้างบารมีต่อมาเรื่อยๆจนมาเต็มนี่พระชาติที่พระพุทธเจ้ามาออบัตนนเต็มก็เต็มแต่ว่าไอห้าร้อยชาติมันยังไม่หมดอ่ะ ชาติไหนมันก็มาเอาไปชาติไหนมันก็เอาไปชาติสุดท้ายนี้มันก็มาเอาไปฮะกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันจะมาประจบกันนะเราดูข้อนี้ให้ดีใครที่เคยฆ่าตัวตายเหมือนกันใครใครเคยถูกอกรรมแบบนี้เล่นงานมัน ม, มันมีกรรมเก่ามารองครับเจดีย์พระบุคคลาณา น, นีิท่านไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องมาเล่าให้ปช า, ชาวบ้านฟังชาวบ้านเรื่อมใสศรัทธาคนมาทำบุญให้ทานกับท่าน ทำให้พวกนักบวชนอกศาสนาเนี่เสื่อมเสื่อมลาบใครทําให้เราเสื่อมลาบนี่แหละนี่แหละนี่แหละองค์นี้แหล ะ, ล ะ, ละองค์ไปจ้างโจนไปเล่นนานนั่นไงไปวาระแรกรู้หะ อ, ออกทางหน้าต่างนะท่านได้ดูมหาสาวกเว้ยเลือดในทางฤทธิ์ไปวาระแรกหะ อ, ออกทางหน้าต่างมันไม่ได้หรอกไปวาระที่สองหะออ อ, อีกทางหน้าต่าง มันไปอีกวาระที่สามเอมันมาตามเอาของมันนี่นะกำหนดใจเข้าฌานปุ๊บคั้ทันทีมันมาทุบตีจนตายคิดว่าตายไม่มีเหลือแหลกไปหมดละลาออไปทิ้งเพราะท่านเยียวยาเพราะท่านอยู่ได้ครบระยะเวลาที่ท่านอธิษฐานเนี่ยท่านก็ฟื้นขึ้นมาโอ้เราบอกช้ำมากแล้วแต่เรารับไม่ไหวแล้วะต้องไปลาพุทธเจ้าเพนี่พ่านแล้ว เวลาผู้ศรเจ้าผู้ศรเจ้าก็เลยให้แสดงฤทธิเดดให้น้องๆดูเสร็จแล้วกลับกลับมามรณภาพที่กาละศีลาตรงที่ที่หมโจรมตีนั่นแหละทำนิทานนิทานอีกอันหนึ่งนิทานพยองอพ่ อ, อพ่อกับลูกหามปู่ไปว่าจะไปโยนน้ำนี่นี่เรื่องสองเรื่องนี่คนคนกลับทะละปัดกันนะพ่อกับลูกนี่ <laughs> อหามปูไปว่าจะไปโยนน้ำโอ้ปูดิวุ้นใบยุ่งยากลาบาก เ, ยเลยดูแลยากลาบากแล้วเกินอย่านี่ว่าจะโยนปูไปเอาปูไปโยนน้ํำที่ไหนก็ไม่รู้แหละ <c oughs> เป็นนิทานก <c oughs> ็ไปพาพาลูกหามไปพอไปถึงที่จะโยน <c oughs> พ่อก็เลยจะโยนจะโยนทั้งกระตาเนี่กระตาอุสาอุสาเย็บเอออุสาถักอุสาอะไรอย่างดีสารอย่างดีเ <c oughs> อ้ยพ่อ เก็บไว้เก็บไวพ่ออย่าโยนทั้งกระตานี่อย่าโยนทั้งเข่งนี่อย่าโยนทั้งเข่งทำไมอ่ะเอาเวลาจะโยนพ่อจะได้เอาเข่งนี่เลยมาโยนเ้าพ่อใส่เข่งมาแล้วก็จะโยนเราไม่ต้องไปเสียเวลาทําทําเข่งนี่ใช่ไหมเราเลึกได้เอากลับคืนไม่ไม่ฆ่าไม่อนันตริยกรรมนะเห็นไหมไม่อนันตริยกรรมพ่อลูกพ่อลูกเตือนแท้ๆพ่อพ่อ เก็บไ้เก็บไฟเก็บไว้ใส่พ่อเวลาเวลาเอาพ่อมาโยนบ้างยังไม่ได้ตาเลยกรรมมันจะเล่นงานแล้วเห็นไหมกรรมมันย้อนแล้วนั่นคือกรรมในสุดเลยพาลูกหางปูกลับคืนนี่คือกลับตัวได้จากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแทนที่จะตายกับลูกกับหลานเนี่ยไม่ได้ตายอยู่จนตายตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องกรรมเราอย่าไปคิดว่าทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สอง ได้ผลร้อยเท่าพันธวียาประมาดยามักง่ายแต่แท้จบที่นี้จบ